นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ตอนนี้เอพิโซดที่85ดสครับแปวันนี้เราพูดถึงเรื่องความโกรธที่มีเหตุมาจากจดหมายท่านผู้ฟังที่ส่งมานี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์อัดมาพระไพบูุ์ก็มากับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกาญมัสการครับกับผมณัฐพงศ์กันนกวิรุณครับวันนี้เอพิโซดที่85ดสิบห้นะแปครับแปถูกต้องก็สืบเนื่องมาจากาจดหมาย ค, คำถามที่ท่านฟังส่งมาเป็นไหมอิเล็กทรอนิกส์ครั บ, รบก็แฟนประจำรายการของเรานะครับคุณปานิทิดก็คุณปานิทิดเนี่ยท่านก็ได้มาหลีกเลนเมื่อตอนเมษายนปีห้าห้าในเบษาพฤกษาอาจจะเป็ น, ปนพฤกษาประมาณนี้ครับคือ ม, มีโอกาสได้เจอท่านแล้วก็ท่านก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่กลับไปจากหลีกเลนเนี่ยก็จิตใจก็สงบนะครับ แต่หลังจากเวลาผ่านไปมันก็เริ่มจางคลายแล้วก็มีการเอหลุดของอารมณ์นะครับโดยโดยเฉพาะความโกรธเนี่ยท่านก็เล่ามาว่าโกรธสุนัขสุนัขมันมาเรียกว่าปั่นปว่วนมา <laughs> ปั่นปว่วนท่านท่านก็จะจัดการมันท่านรู้สึกว่าเออมันมันมันอาจจะผิดศีลหรือว่าจะทําให้จิตเนี่ยเป็นอกุศลครับก็เลยจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าจะทํายังไงดีครับมา เราต้องเข้าใจเรื่องทีงละเรื่องก่อนอันนี้ก็ได้พูดกันไปนอนนู่นแล้วแต่มีประเด็นหลายอย่างเพิ่มก็เลยจะพูดเพิ่มเติมตอนนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องของความโกรธมาแล้วของความโกรธ ค, ความโกรธหรือว่าความคิดที่เป็นพยาบาทมันมาได้ยังไงระดับขั้นตอนเป็นยังไงการทํางานมันเป็นยังไงผท้เช่าได้เคยตรัดไวในพระสูตรหนึ่ ง, งนะครับเกี่ยวกับะระดับชั้นของความโกรธที่อยู่ในเรื่องอุปกิเลสทั้ง16อย่าง อันดับแรกเนี่ยความโกรธเนี่ยมันเป็นสายของอโทสะสายของนะกิเลสสายโทสะมันก็จะมีเป็นระดับระดับอย่างนี้อันดับแรกนี่คืออรตินี่คือความไม่ชอบไ ม, ไม่ชอบใจไม่ชอบไม่ชอบใจไม่ชอบอาหารบางประเภทอย่งังไงมาตอนแรกๆมาอยู่ดอนเราไม่ชอบกินข้าวเหนียวนั่นคืออรติรตนั่นคือความที่ไม่ชอบอทีนี้ความไม่ชอบเนี่ยถ้าเราไม่มีสติหยุดตั้งแต่ตรงนั้น ละพิจารณาทำโยนิโสมรรสกรคุณหยุดไม่ได้ใช่ไหมมันจะโตขึ้นมาเป็นปฏิกะปฏิกานี่คือความขัดเคืองขัดขัดเหมือนเราเดินปุ๊บมีคนมาขัดขาเราอย่างเงี้ยใครเป็นไอ้ที่เป็นโรคกระดูกเสื่อมเนี่ยตรงหัวเข่าเนี่ยนะคุณเดินไปมันจะขัดขัดที่หัวเข่าเกืกื้อกืกืนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหรือเราเดินไปในพงหญ้าพงป่าปุ๊บถูกถูกน้ำเกี่ยวเสื้อต้องหยุดดึงกึกเอาไว้นี่คือปฏิกะคือความขัดเคือง มันจะแบบลักษณะขึ้นมาดีนึนงจื๊อจ๊อเรื่อยอย่างเงี้ยนะะแบบ ม, มันเครืองนะลักษณะเนี้เครืองว่างั้นนะ่ะขัดเครืองขัดใจนี่คือปฏิกะทีนี้ถ้าคุณยังหยุดไม่ได้อีกไม่มีสติสมัมปชัญญะหรือมีเพื่อนชั่วหรือมีคนมาทําให้มันเครืองไม่รู้จักหยุดเราก็จะมีความกโกรธขึ้นมามมโกรธหรือโกหะเนี่ยคือลักษณะความโกรธที่แบบเดือดดานเดือดละเริ่มเดือดเหมือนน้ำเนี่ยมันเริ่มปุดปุดปุดปุ ด, ปดขึ้นมานี่คือเดือด น, นี่คือความเดือดเพราะว่ามั น, ม, นมันอันไม่อยู่จากปฏิกะความขัดจ่ายขัดเกืองแตนี้พอมันขัดมากเนี่ยเราก็ไปคิดเรื่อยไปคิดเรื่อยแตนี้พอเราไปคิดเรื่อยคิดเรื่อยเนี่ยจิตมันเริ่มแบบสายมากละสายมากไม่ไม่สามารถดํารงนิ่งให้อยู่ในลมหายใจได้เพราะมันสายมากสายพอๆก็เหมือนไอไโมเลกุลของน้าเนี่ยมันสั่นตื่นๆๆ่ื่เหมือนไมโครเวฟที่น้ํามันเดือดได้นะใช่ครับเพราะว่าเขาเอาคลื่นไมโครเวฟเนี่ย ทำให้ไอไออนุภาพมันสั่นจนกระทั่งมันเดือดขึ้นมาใช่มีพลังงานส่งไปทางนี้เพราะฉั้นพอจิตเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันเดือดแล้วบางคนเดือดคือขนาดว่าหน้าแดงหูแดงตัวสั่นมือสั่นขึ้นมาอย่างงี้ทีนี้ถ้าคุณยังหยุดไม่อยู่อีกนะไม่สามารถแก้ไขได้ทําให้เป็นรู้จักมีสีสัมปชัญญะมีเพื่อนชั่วผาไปมีคนมายั่วปุ๊บมันจะกลายเป็นโทสะโทสะนี่คือความคิดประทุสลาย ปัสสาวะเนี่ยคือหมายว่าอยาให้เขาเสียหายคิดให้เขาเจ็บใจในแง่ต่างๆนะเช่นว่าคือไม่ได้หมายว่าต้องเผาบ้านเผาเมืองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ความโทสะนี่คืปปัสสาวอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนยนะชเช่นว่าบางทีมีคนมาถวายทานทีิวาสอย่างเงี้ยแต่ถ้าทําไม่ถูกระเบียบเราก็จะมีความคิดว่าถ้าเรามีความคิดว่าออขอให้ทานนี้มันได้ผลน้อย อา่เอ า, เ, อาเราประทุสร า, ายฐานก่นละอันนี้เป็นโทสะอ๋อ oh, ครับคือมันอาจจะข้ามพรวดไปด้วยความรวดเร็วมากหน้าตา okay, เราอาจจะแสดงนิดนึงนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงเลยหรืออาจจะมีอยู่ในใจแต่คิดโทสะเกิดขึ้นละมันรวดเร็วมากบางทีมันข้ามไม่ได้ข้ามหรอกมันแต่มันไปน้อยแล้วพวกนีก็ไปเลยอย่างเงี้ยนะหัดเกลื่อนเพราะอะไรเพราะเรามีตั้งความว่าเออมันต้องเงียบๆนะอยากคุยกันแต่พอถึงนี่มาไม่รู้เรื่องคุยกันมากปุ๊บ เรามีอรติคือความไม่พอใจแล้วเราหยุดไม่ได้ก็เป็นความกัดเกลืองแล้วมีความเดือดขึ้นมาแล้วก็คิดให้ท่านของเขาเสียหายอย่างเงี้ย อ, อันนี้ความคิดที่ไม่ถูกครับหรืออย่างถ้าอ่าอย่างทั่วๆไปอย่างอย่างไงดีอะไรสมมติคนมาทําบ้านให้หลเลเธอครับเราก็คิดว่ามันต้องเป็นไอ้นี่แน่นอยอ้องเป็นไอเด็กน้อยนี่แน่เลยที่มันมาทําอยู่เรื่อยอาจจะไม่ใชใ่เขาก็ได้จะเป็นสัตว์ก็ได้นั่ น, น ค, คือความขัดเคลืองความโกรธ นี่คือเลยไปถึงขั้นพยาบาทเลยนะถ้าเป็นเด็กคนนี้ขออย่าให้มันเจริญเลยอย่างเงี้ยพยาบาทนี่คือคิดไปต่อแล้วว่าผูกไปเป็นระยะเวลานา น, านผูกเวรพยาบาทอ น, น, นี้คือขั้นที่ห้าครับซ้าอีกครั้งหนึงมาราพงศขั้นแรกคืออารติความไม่พอใจไม่ชอบอันนี้ไม่เป็นไรสองปฏิฆาความขัดเคลื่องอันนี้ก็ยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นบาบทีนี้เริ่มเป็นบาปตอนเริ่มเป็นบาปตอนโทสะ โกโรธนี่ก็ยังเดือดอยู่ยังตัวคุณร้อนเฉยครับอเริ่มเป็นบาปนี้ตั้งแต่โทสะพยาบาทนี่ยิ่งเป็นมโนกรรมที่ไม่ดีโทสะนี่คือปรสสุสลายเขาละจะทำให้เกิดกรรมนะโทสะ ท, ที่เป็นกรรมเนี่ยนะทิพย์พิชาบอกแลครั บ, ร บ, บรโทสะถ้าทํากรรมด้วยโทสะนี่ก็คือถ้าทําอะไรด้วยโทสะนี่ก็เป็นกรรมแหลบแล้วพยาบาทนี้ก็คือเป็นกรรมทางใจที่จะสืบเนื่องผลต่อไปอีกนะมีห้าระดับอันนี้อืม แต่ว่าถ้าตัดให้ได้ก็ตรงช่วงความโกรธไปโทสะเนี่ยตนนั้นเป็นจุดสําคัญ เ, เพราะว่าจะเริ่มให้เกิดบาปใช่ไหมครับต้องปฏิฆะเลยมอฤลษีงเพราะว่ า, าพระพุทธเจ้าบอกอย่างนิงนวรคือความพยาบาทเนี่ยความพยาบาทเป็นนิวรนอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่าอะไรเป็นอาหารของพยาบาด ท, ที่ยังไม่เกิดจะทําให้ปยาบาดนี้เกิดขึ้นได้อนี่แหละคือปฏิฆานิมิตไงปฏิฆาพระพุทธเจ้าพูดถึงปฏิฆานิมิตอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎก เ่นที่นะข้อห้ารอห้ารเท่าไหร่าร้บอครับาบอกถึงอาหารของนิวร <Okay. S 1> คือพรอมพยาบาทเนี่ยถามว่าอะไรคืออาหารของนิวร mm hmm. เพราะว่าเราทำสุภาปฏิคานิมิตปฏิคานิมิต <Okay. S 1> อยู่เรื่อยๆกระทำในใจซึ่งปฏิคานิมิตมากๆโยนิสมันมากๆ mm hmm. นะก็จะทำให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเฮ้ <Okay. S 1> มันเป็นไงปฏิฆานิมิต ก็คือนี่ไม่คือเครื่องหมายใช่ไหมใช่ครับถ้าเราไป ค, คิดเรื่องที่ทําให้เราขัดเคืองอยู่เรื่อยๆอะมันจี๊ดแน่นอนจี๊ดนี่คือจี๊ดนี่คือกโกรธนะใช่ครับตัแต่กโกรธ ข, ขึ้นไปเนี่ยจี๊ดโกรธโทรสารพยาบาลนี่คือจี๊ดหมดระดับ<ช>ความรุนแรงไม่เท่ากันภาษาอาละาก็อาจจะอาจจะไม่รัดกลุ่มท่าของประชจ้านะคือถ้าเรามีความเดือดขึ้นในจิตปุ๊ดนี่แสดงว่าคุณปฏิกัมากละ แค่เดือนเนี้ยเราก็ร้อนเราอยู่ไม่เป็นสุขแล้วสมองเราจะเริ่มบิดเบือนละ <im itation> ทาไมความโกโรธเนี่ยถึงทําให้เราเราไม่ดีบางคนคิดว่าความโกโรธปุ๊บมีพลังมากขึ้นสามารถทําประสิทธิภาพงานให้มากขึ้น <im itation> <im itation> อยกของหนักได้มากขึ้นฮึดสู้อย่างนี้นะครับอันนี้ <im itation> าทางไกลาาทางไกลจะชัดเจนครับที น, นี้ถามว่มาแล้วมันทำยังไงกับร่างกายของเราดูให้ดีซะก่อนอย่างรถอย่างเงี้ยสเปคเขาบอกมาให้วิ่งร้อยห้าสิอย่างเงี้ย ใช่ครับแต่คุณห่อเข้าไป2องร้ออยปดิอย่างเงี้ยหุยแค่นี้เครื่องมันก็ไม่ไหวแล้วหมอรัฐพงศนึกออกไหมมันจะพังครับใช่จิตใจร่างกายของเราเนี่ยดีไซน์ออกมาให้อยู่ที่ระดับปกติแตถ้าเราจี้ขึ้นปี๊ดขึ้นไปมากเนี่ยนะหัวใจก็เต้นเร็วฮอร์โมนต่างก็หลั่งออกมามากะมระ์บอกการทําความสั่งร่างกายก็ชัดดาวสมองส่วนหน้าก็ถูกปิดเนื่องจากฮอร์โมนต่างๆเหมือนกับสัตว์เลยที่ว่าเวลาเจออะไรปุ๊บก็ตอบสนองด้วยความโกรธด้วยการหนีด้วยการสู้อย่างเงี้ย ไม่ได้มีสมองส่วนหน้าที่เป็นความฉลาดของมนุษย์เนี่ยในการคิดตัวเหตุผลเพราะฉะนั้นพอพอความโกรธมันขึ้นมาปีดแล้วเนี่ยนะมันเริ่มจะเป็นอย่างนี้ละทีนี้เราก็จะเริ่มควบคุมไม่ได้มันก็จะเลยไปเป็นโทสะอ้าวทาร้ายคนอื่นแล้วเป็นกามละมันก็เลยไปเป็นพยาบาทอ้าวผูกกันเป็นสิบปียี่สิบปีเป็นความรธคำชาดเป็นการผูกเวรขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ถูกมากเลยครับมันไม่ได้เกิดจากอะไรมากเลยหมอครับมันแค่ว่าเรา เราทำคิดเรื่องที่มันขัดใจอยู่บ่อยๆอคิดเรื่องที่ขัดใจอยู่บ่อยๆนะอย่างเช่นว่าบ้านสะอาดต้องสะอาดนะบ้านฉันต้องสะอาดถ้าบ้านฉันไม่สะอาดฉันจะมีความไม่ชอบนั่นคืออรติแล้วนะออสถานที่เสนาสนะ้มันต้องเรียบร้อยสิหมามันต้องไม่เห่าสิหมามันต้องเชี่ยงสินะถ้าพอหมาไม่เชี่ยงมาปุ๊บหรือหมาไม่เรียบร้อยมาปุ๊บหมาเริ่มเล่นมากเรี่มเลียปากเราปุ๊บ เราจะมีอารติคือความไม่ชอบไม่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วบ้านเริ่มจกปกแล้วทำไมหมานี่มันบ้าย่งนีมันเป็นหมาบ้าหรวอเปล่าคนโกรธเนี่ยเหมือนหมาบ้านะเหมือนเลยครับมีคํำสุภาษิตบอกด้วยมันโกรธมันมาบ้าเพราะฉะนั้นมันมันก็จะควบคุมอะไรไม่ได้หมานี่มันเชื่องนะมันยังพูดได้บ้างมันยังมีความรักเจ้านายบ้างแต่พอมันโกรธปุ๊บคนเลี้ยงมันมันก็ไม่เว้นมีหมาหมาที่ที่ไหนก็ไม่รู้เพื่อ เป็นโยมคนหนึ่งก็าเล่าให้ฟังหมาเนี่ยมันกัดแม้ก็ทั้งคนให้อาหารมันกินอ่ะครับเพราะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยต้องขังมันเอาไว้นะคือคนเอาอาหารไปให้มันปุ๊บเนี่ยมันก็กินอยู่ดีๆนะพอหันหลังปุ๊บมันกัดเลยอ้าวโอหมางี้เลี้ยงไม่ได้นะเอาไปขังไว้เลยขังไว้อยู่ตัวเดียวแต่เขายังมีเมตตากับมันนะในการที่ให้มันอยู่ไปแล้วก็มีอาหารให้มันกินไปวันละมื้อก็พอมันก็เห่าไปเห่ากําแพงเห่านกเห่าใบไม้ ก็กวนไปตลอดครับอืเขาก็ไม่ได้ไล่มันไปฆ่ามันแต่ว่าเขาก็ยังมีเมตตาแต่ีนี้คือหมามันบ้าแต่ตัวนั้นไม่ได้ว่าบ้าอะไรนะคือมันมันก็คงจะป้องกันตัวมันแต่ด้วยความที่มันไม่เหมือนหมาตัวอื่นมันก็ต้องได้รับกรรมของมันไปมันมีเหมือนสัญชาตญาณสัตว์ป่าสูงนะครับไม่คือหมาเนี่เขาบอกว่าเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสัตว์ป่าแล้วก็เอามาเลี้ยงมันก็จะถูก ถูกทำให้เชื่องเชื่องเชงโดยโดยสายพันธุ์มันอืมเพราะฉะนั้นพอป่าความเป็นป่าเนี่ยความเป็นป่านี่คือความพยศไงความเป็นป่าความมันไม่ใช่ของประเสริฐถ้าเราจะเป็นคนประเสริฐเนี่ยเราเราจะต้องเอาความประเสริฐนี้มาใช้นั่นคือความเมตตาความไม่ขัดเคืองความมีกรุณาพวกนี้ครทีนี้เราพยายามที่จะเข้าใจความโกรธตรงนี้ก่อนมาแล้วตรง ทีนี้พอเรามีอะไรไม่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะควรทําไงครับออย่างสมมติถ้าเขามีแต่ข้าวเหนียวมาไม่มีข้าวเจ้ามีแต่ลาบมาไม่มีอาหารอื่นเลยเนี่ยเอ๊ะเราก็จะมีถ้าเราอั้นไม่ได้หมายก็เราเราไม่เรียกมีสติสัมปชัญญะพิจารณาเราจะเลยขึ้นไปเป็นความขัดเคืองเอ๊ะฉันบอกมันให้ทําอันนี้ทําไมมันไม่ทําให้เตมมานี่ทําไมไม่เตรียมเอ๊ะให้ให้บอกให้รักษาความสัจทําไมไม่ทํามันเริ่มขัดเคืองนะขัดเคืองคํคาถามที่ ที่อ่ามักจะพูดกันอยู่เสมอใครเป็นคนทําอย่างนี้ต้องเป็นไอ้นี่แน่เลยไอ้หมอนี่แน่เลยเนี่ยคือคุณมีความขัดเคืองเกิดขึ้นละ่ะอืมเลยขึ้นมาละมีความขัดเคืองเกิดขัดใจละมันตึ๊กละตึ๊กตึ ก, ต ก, ตกอยู่ตลอดเวลาตึก๊กตึกเลยเดินไปกร็ติดขัดทําอะไรก็มีสะดุดขามันมันเป็นห่วงความ ค, ามคิดที่ไม่ถูกเอาคนที่นั่งสมาธิเนี่ยนรมัมรพง์ครับพอเราได้สมาธิที่ลึกซึ้งเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าความคิดใดๆที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขัด มันตึ๊กเนี่ยเข้าใจไหมจิตเราสงบอยู่ดีดีไม่มีความคิดเลยพอมีความคิดถึงแม้จะเรื่องดีก็ตามตึ๊กเลยอ๋อมันเห็นขัดเลยอ่ามันขัดขึ้นมาปึ๊กเลยสะดุดกึกขึ้นมากึกหนึ่งโอ๊ยเหมือนขับรถไปแล้วมันเจอตัวสะดุ้งอ่ะนะอ๋อครับตัวสะดุ้งตัวหนอนที่เขาวางอยู่ตามถนนใช่ไหมไม่รู้เขาเรียกอะไรเอ่ตัวไอ้สะดุ้งระนาดออดุ้งระนาดครับซึ่งถ้าเราเห็นมาก่อนว่าตรงนี้มีรูระนาแล้วเราชะลอเราจะไม่เจ็บมา แต่ถ้าเราไม่เห็นเราหอมาเลยบื้นวิ้นพองเลยรถเราเสียรถเราจ ะ, ช, ะชำรุดเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอสิ่งที่เราขัดเคืองแล้วคุณมาด้วยความเร็วไม่มีการชละลอไม่มีสีส่สัญ ญ, ญาณเนี่ยเติมเลยมันก็จะเริ่มกลายเป็นความโกรธละเครื่องยนต์เครื่องอะไรต่างๆระดับจิตใจอะไมันก็เริ่มรวนละเริ่มที่จะฟูฟูขึ้นมาละครับอันนี้คือคือก็จะเริ่มไหลไปเป็นความโกรธละครับ เพราโดยโดยสรุปเหมือนกับว่าจะต้องรู้ตัวใช้สติรู้ตัวให้เร็วตั้งแต่เรื่องบางคนไม่ชอบอะไรเอก็ไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวว่าฉันชอบอะไรไม่ชอบอะไรคือคือไม่ชอบเนี่ยรู้แน่ล่ะแต่ไม่รู้ตัวว่าความไม่ชอบมันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติใช่ครับไม่มันต้องถูกต้องเป็นอย่างนี้ของถูกมันต้องเป็นอย่างนี้อมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างอื่นไม่ได้อ้าวล่ะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีความไม่พอใจ อืมอันนี้เกี่ยวกับอุปทานไหมครับว่าเราไปยึอปยดอ๋อแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับ ม, มันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดใ น, นโลกนี้มันก็เป็นไปของสมมุติเขาแล้วก็าตามตามไปในะอะไรดีร ก, กว่าทำแค่นั้นเองแต่ตื่นเชา้ามาเออกินข้าวแล้วไม่แปลงฟันคิดว่า เ, าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาแปลงก็ได้แต่พรุ่งนี้ก็กินอีกโอ้ยพรุ่งนี้ไม่ต้องแปลงหรอกเดี๋ยววันต่อไปก็กินอีกไอ้นี่คิดเริ่มคิดไม่ถูกนะเพราะมันต้องรักษาความสาดใช่ไหมถูกครับทีนี้พอพอเราเราก็ทําไปตามที่เขาสมมติอ่ะ ถ้าเ่าบอกเราไม่เราไม่ยินดีกับการที่ปากสกปรกปากสกปรกฉันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายใช่ไหมมันก็เริ่มไม่ถูกนะมันก็จะเริ่มหลุดโลกนะหมัหมมหมักหมมไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีขั้ดับต้องมีการโยนิโสมนัสการพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าคุณมีปฏิคะนิมิตเกิดขึ้นปฏิคะนิมิตคืออะไรในทีนี้อมีข้าวเหนียวเป็นต้นมีล่าบเป็นต้นมีบ้านที่สกปรกเป็นต้นมีหมาที่มันเห่ามากเป็นต้น นี่คือเริ่ปมปฏิการนิมิตอะไรนิมิตนี้นะนิมิตเนี่ยเป็นเครื่องหมายเหมือนรัตพงที่ทําให้เรานึกถึงสิ่งนั้นอยู่ต่อเวลาเช่นบางคนเห็นต้นโพเห็นใบโพปุ๊บจิตปุ้งขึ้นมาเลยพระพุทธเจา้าใบโ พ, พเป็นนิมิตของสมมาสมุทรเจ้าในกรณีนี้ บ, บางคนเห็นพระพุทธรูปปุ๊บตึ้งขึ้นมาเห็นนึกถึ ง, ง, ถง พ, พระพุทธเจ้าก็พระพุทธรูปนี่ก็เป็นนิมิตของพระพุทธเจ้าได้ ครับอ่าบางคนเห็นในหลวงเห็นในหลวงปุ๊บก็เป็นตึ้งนิมิตของสิ่งที่ดีงามเป็นต้นความดีงามครับบางคนก็นิมิตก็จะแตกต่างไปแตบางคนเห็นเลขอ่าเก้นาฬิกาสินาทีปุ๊บอ่าเป็นนิมิตออกจากบ้านทั้งที่มันสายมากแล้วไปทํางานไม่ทันแล้วอย่างนี้อ่าก็เป็นนิมิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราเคยคุยเรื่องนิมิตไปแล้วเนาะใช่ครับนิมิตเป็นเครื่องหมายที่จะไม่เกิดสิ่งสิ่งนั้น เพนนิมิตของปฏิกะก็คือเป็นเครื่องหมายที่จะให้คุณเกิดความปฏิกะขึ้นเหมือนแองเกอร์แองเกอร์คือสมองสมองปุ๊บทอดปุ๊บติดปุ๊บอารมณ์เราค้างเติ่งอยู่นั้นเลยค้างเติ่งอยู่นั้นเมื่อคุณคิดถึงไอ้หมอนี่ที่ใดมันจี๊ดทุกทีคิดถึงเรื่องนี้ที่ใดมันไม่สบายใจทุกทีออืมสมมุติถ้าเขาคิดถึงเราอย่างเงี้ยแล้วพงษ์เคยอครอ า, าที่ล้วได้พูดถึงเรื่องต่ังสือคนเก่า ใช่ครับที่ว่าคนคนเก่าๆที่มาอยู่เป็นประจาเนี่ยนะพอเราระลึกถึงแล้วเรารู้สึกสบายใจอ๋อ oh, ครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่ที่ร่าเริงมีความอาถรรพมีความร่าเริงมีความเจริญใจพอนึกถึงแล้วแต่มีบุคคลบางประเภทนันกการเมืองบางคนคนทําไม่ดีบางอย่างที่พอเรานึกถึงแล้วโอ้ยเขาจะเป็นยังไงนาะมันจะขี้เกียจไหมเนาะมันจะทําไหมเนาะทําไมมันมเป็นอย่างงี้นาะเนี่ย mm. yeah. อันนี้คือความขัดใจครับ นี่คือ่ามันนึกถึงขึ้นเนี้ยเป็นผู้ถึงนิมิตแล้วนะบุคคลคนนี้เป็นนิมิตของความขัดเกื่องบุคคลคนนี้เป็นนิมิตของความกังวลใจบุคคลคนนี้เป็นนิมิตของความขี้เกียจนึกถึงมาแล้วมันจะนึกถึงความขี้เกียจแล้ว่ามันจะขี้เกียจอยู่มั้ไหมมันจะมีข้ออ้างเยอะไหมมันจะทําอย่างที่เราสอนไหมอืมครับนี่คือ น, นิมิตนะ <1960 S 2> อะอ่ะาพอปฏิกะนิมิตนี่แหละที่ว่าพอเราคิดถึงเรื่องนี้บ่อยๆมากๆคุณสวยละอืคุณสวยละจิตจะน้อมไปละ บุคคลตริตรึกถึงสิ่งใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าพยาบาทวิตกคือความคิดในทางพยาบาทเนี่ยนะเป็นสิ่งที่คุณตรึกลรามากก็ชื่อว่าละแล้วซึ่งความคิดในทางไม่เบียดเบียนถ้าคุณคิดถึงความคิดในทางพยาบาทมากก็ละแล้วซึ่งความคิดในทางไม่พยาบาทเพราะเราไปคิดถึงมันบ่อยๆอ่ะอแล้วทาไงอ่ะมันมาจี้อยู่เรื่อย มารณรงค์ว่าทําไงก็ต้องเจริญสติถูกต้องหรือหรือหรือกรณีที่สองคือมันก็ต้องใช้สตินะพระเจ้าผู้เต็มการทําโยนิโสมานสิการคือถ้ามีปฏิคะนิี้ตรเกิดขึ้นแล้วคุณทําอโยนิโสมานสิการอโยนิโสคือไม่ทําในใจโดยแยบคายครับมีปฏิคะนิมิตรเกิดขึ้นไม่ทําในใจโดยแยบคายมีปฏิคะนิ้ไม่เกิดขึ้นไม่ทําในใจโดยแยบคายคุณก็จะมีพยาบาทมีโกรธามีโทสาเกิดขึ้น ควบคุมไม่ได้ลหรอกกลายเป็นหมาบ้ากลายเป็นสัตว์ป่าคนี่ก่อนนะประเด็นคือตรงนี้ค่ะถ้าทำไงอ่ะถึงจะมีโยนิสส่วนรการคุณจะมีโยนิสส่วนราชการได้เพราะอะไรต้องมีสติอย่างที้หมอและบงบอกครับต้องมีสติถ้าเราไม่มีสติเราพลาดเลยทีนี้สติถามว่าสติคุณมากน้อยขนาดไหนอ่ะสติคุณละเอียดขนาดไหนอ่ะครับบางคนมามีสติตอนที่ตัวเองมีตัวสัตว์แล้วอืมครับมันควบคุมยากแล้ว เพราะว่าคือเริ่มรู้แต่ว่าคุบคุมไม่ได้แล้วคือสติคุณไม่ละเอียดคือละเอียดกับกําลังนี่ก็อย่างหนึ่งนะครับคือบางคนมีกําลังมากแต่ไม่สามารถคีย์คีย์บอร์ดได้เพราะมันใช้กล้ามเนื้อที่ละเอียดเข้าใจไหมอ่าบางคนมีกล้ามเนื้อที่ละเอียดคีย์คีย์บอร์ดได้ทําอะไรเล็กนิดๆปดิบประดอยได้แต่ยกใหญ่ๆยกเยอะยกไม่ไหวอืนึกออกไหมหมายถึงแบบนกออครับผู้หญิงที่เย็บประดิบประดอยของสวยงามได้เนี่ยถ้าใช้ผู้ชายนักเล่นกล้ามมาทําเนี่ยเขาทาไม่ได้หรอก บีบ<ม>ทีหนึ่งผลไม้มันก็เละหมดแล้วทั้งหมดแต่เขายกน้ําเยอะๆได้ยกของหนัหนกๆได้แต่ผู้หญิงประดิษฐ์ปดอยอะไรได้แต่ไปยกของห น, หนักก็ไม่ได้อืมใช่ครับนี่เปรียบเทียบเหมือนกับสติว่าสติคุณต้องละเอียดละเอียดเนี่ยเหมือนถึงเล็กๆน้อยๆคุณเห็นคุณจับได้คุณรู้สึกและสติคุณต้องมีกําลังกําลังนะ ค, คือมีกําลังในการยกกําลังในการอแก้ไขสิ่งใหญ่ๆได้ ที <c oughs> นี้ถ้าสติเราไม่ละเอียดละเอียดก็ไม่ละเอียดกําลังก็ไม่มี <c oughs> กําลังก็ไม่มีนะคือหยาบใช่ไหมเพ <c oughs> รละเอียดไม่ละเอียดคือหยาบใช่ไหมกำลังไม่มีคืออ่อนแรงใช่ไหมพอ <c oughs> เราหยาบปุ๊บเนี่ยเราก็จะมารู้เวลาที่เรามีกิเลสหยาบเกิดขึ้นกิเลสละเอียดละเอียดไม่รู้เลยอย่า ง, า <c oughs> งอารติความไม่พอใจปฏิฆะความเกิดคือนเรายังไม่รู้เลยมารู้ตอนที่มันเริ่มหยาบแล้วพอรู้เสร็จปุ๊บพอรู้เสร็จปุ๊บกํากลังคุณก็ไม่มีที่จะหยุดมันได้ กำลังคุณก็ไม่มีที่หยุดมันได้ครับก็เลยพลาดเลยทั้งขึ้นทั้งร่องก็เลยเกิดอกุศลเต็มเต็มรูปแบบความทั้งความหยาบทั้งกําลังก็แพ้มันครับอ่าอ่าบางคนละเอียดแต่ไม่มีกําลังแล้วก็ฝึกกาลังบางคนมีกำลังแต่ไม่มีความละเอียดแล้วก็ฝึกความละเอียดใช่ไหมครับทีนี้อ่ประเด็นก็คือว่าพอเราพอเราพลาดไปแล้วเนี่ยมันก็จะไหลไปอย่างนี้ทีนี้ เราจะมีสติระลึกถึงได้อย่างไรก่อนที่จะไปถึงความแก้อีกอันหนึ่งก่อนอวิธีแก้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องสาเหตุของมันให้ให้ครบถ้วนไปก่อนนะเท่าที่เท่าที่เ ต, ตรียมการไว้สืบสาเหตุให้ครบคือคือคนที่กโกรธแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะทำให้คหนอื่นเสียหายเสีย<ช>หายก็คิดว่าเขาเขาเสียแล้วก็คือพอแล้วเราสบายใจ อ, อย่างเช่นว่าด่ามันแล้วมันจีดขึ้นมาเราก็รู้สึกเออดีแล้วมันโกรธ เราเอางรู้สึกสบายใจด้วยความที่มันโกรธ<ม>เราโกรธเนี่ยเลยทําให้เขาโกรธด้วยพราะเขาโกรธแล้วเรารู้สึกสบายใจความโกรธของเราหายไปมันบ้าไมหมหมอแล้วบอกว่าบ้าครับบ้ามากๆเลยเพ <c oughs> ระคุณความโกรธที่คุณเกิดปุ๊บไปทาให้มันโกรธพอมันโกรธแล้วคุณเราสบายใจเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะนีน่เนาะมันไม่ค่อยถูกลอจิกเท่าไหร่ <c oughs> ใช่ครับแปลกมากเลยแปลกมากเลยแปลกมากเลยเอทีนี้ถัดไปก็คือว่าพอเราโกรธแล้วเนี่ยอย่างที่ว่านะรถยนต์เนี่ย ถ้าเขาดีไซน์มาให้ระดับความเร็วอยู่ที่ร้อยสิบอย่างเงี้ยเราบึงไปนู่นร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบร้อแปดิโอ้เครื่องยนต์อยู่ได้ไม่นานครัเท้าเดียวกันสุขภาพเราจะแย่เราจะมีผิวพันซ้ำความคิดเราจะตื้อมึดตึงคิดไม่ออกคิดไม่ออกแล้วก็เราก็จะมีความคิดที่สั้นเคยได้ยินเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าแม่ไหมได้ยินครับนคือลักษณะเดียวกันเลยว่า อ้าคุณไม่ได้คิดถึงบุญคุณมารดาปิดาเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าไอ้ความโกรธมันปิดบังเอาไว้มันคิดถึงว่าเดี๋ยวนี้นวินาทีนี้คือความคิดของเราจะสั้นเข้าแคบเข้าไม่ได้มองการไกลอย่างอย่างสัตว์เด้ัฉานหมาเป็นต้นเนี่ยนะใช่ครับคิดเป็นตรงหน้าเออมันไม่ได้รู้ว่าไหนเป็นพ่อเป็นแม่มันคือพอโตมาแล้วเนี่ยมันก็มั่วไปหมดมั่วซั่วไปหมดนะเออพอตอนเด็กๆใช่อยู่แต่พอโตมาแล้วปุ๊บความ ความที่มันมีโมหะเกิดขึ้นความที่มันมีความอยากเกิดขึ้นความที่มันมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนกันมันก็ไม่รู้เพราไปแย่งตัวเมียเพื่อนกันมันยังกัดกันจนเลื่อนอาบหมาของตัวที่วัดมันกัดกันเพราะแย่งตัวเมียเอาแล้วตอนที่มันถูกเลี้ยงมาตั้งเด็กเพื่อนกันเล่นกันคุ้นเคยกันแบ่งอาหารกินกันมันไม่ได้นึกถึงเลยเพราะความโกรธมันบังหน้าแล้วครับมันจะคิดสั้นมากอหรือไอบุญคุณที่มารดาบิดาเลี้ยงเรามาเออเราไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเลยเราไปคิดแต่ว่า เอาข้าวมาน้อยฉันต้องจัดการเธอะอคิดสั้นๆแก่นี้แต่ตอนที่เราปวดหัวป่วยตอนเด็กๆใครพาไปรักษาตอนที่อุ้มท้องมาใครเป็นคนดูแลประกอบประงมด้วยความลําบากอย่างยิ่งเมื่อด้คิดถึงตรงนั้นเลยแล้วนี่คือโทษนะโหหน้าอันตรายมากนะใช่ครับอันตรายมากๆนะถ้าความเดือดเกิดขึ้นแล้วอ่ะหรือหรือเวลาที่เราเอาน้ํากระจกเอาน้ำเนี่ยนะน้ํามันจะมาส่องดูหน้าตัวเองถ้าเราไม่มีกระจกเนี่ย ถ้าน้ำมันเริ่มปุดๆขึ้นมาเนี่ยนะเวลาน้ามันเดือดเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหน้าตัวเองอืมอืมอืมคือความเงามันลดลงไปอ่าครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะว่ามันปุ๊บๆขยับๆปุ๊บๆเนี่ยก็เลยไม่ได้ละจิตเราจะไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถพิจารณาอะไรให้มันเห็นตามที่เป็นจริงได้อืมครับเหตุทั้งนิ้นทั้งสิ้นเนี่ยเขาพรียความปฏิกัสความขัดเกืองครับอนาคามีจะลับได้แต่ถ้า อครับไม่เป็นอนาคามีละได้ไหมได้ไดนคนที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยละได้แน่นอนครับทําไมอ่ะทําไมอ่ะทําไมตอนที่คุณมานั่งสมาธิหลีเร้นที่วัดไปอะไรสงบสงบทำไมคุณถึงไม่มีความโกรธพวกนี้มันถึงหายไปได้เพราะอะไรนะเนอะทรมงคิดว่าเพราะเรามีสติครับเพราะมีสติเพราะว่าสิ่งที่วัดต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่จะให้เราขัดเกื่อนอ๋อครับมันไม่มีปฏิการที่ไม่ระวังกันเถอะครับที่บางคนเป็นอย่างนะั้น S <S ม, มาถึงวัดแล้วเนี่ยครับก็ตั้งจิตไว้ไม่ถูกเห็นอะไรมันขัดเคืองไปหมดก็มีอืมอืมไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ไม่สะอาดเห็นเขาตั้งตู้บริจาคไว้ก็ไปคิดว่าน่าจะโลภมากเห็นเขาทําไอ้นี่ก่อสร้างอยู่ก็คิดว่าเฮ้ยทำไมต้องทําอะไรเยอะแยะเ อ, อืมมันไปคิดอย่างนั้นนะเพราะคุณตั้งความพอใจไว้ผิดครับไม่รู้จักทําโยนิโสมนสิการพอเจออะไรมันก็ไม่ขัดใจไปหมดเออมันก็ไม่ขัดมันก็ไม่ถูกใจไปหมด คัดเคืองไปหมดไปหมดจริงๆเห็นอันี้ก็ไหม่ดีเห็นอันนี้กับใหม่ดีเพราะคุณตั้งจิตไว้ไม่ชอบมีมิจฉาที่ติตั้งแต่แรกเลยอันนี้ก่อนอารติอีกก่อนความไม่พอใจอีกนั่นคือความมีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมมันก็มันเป็นทั้งสายใช่ไหมความมีมิจฉาทิฏฐิคุณตั้งจิตไม่ผิดละอะไรถูกคุณก็ว่าไม่ถูกอะไรดีคุณก็ว่าไม่ดีก็คุณไม่ชอบไว้หมดแล้วอ่ะพราะคุณไม่ชอบอะไรคนนี้พูดคุณไม่ชอบหมดอะไรคนนี้ทําคุณขัดเคืองหมดอะไรคนนี้เกิดขึ้นคุณโกรธหมด มันเกี่ยวอะไรคนนี้คุณมีโทสะหมดก็พยาบาทกับคนนี้ไปข้ามภพขรามชาติมีพระเทวทัศน์เป็นต้นครับสุดท้ายก็ไปลงนรกอครับไปแล้วก็เศร้าคิดถึงก็ไปเเออครับ้อก็คือประเด็นที่ว่าพอเราเราต้องตั้งจิตไว้ถูกเราต้องมีโยนิโสมนสิการคนเนื่อนจากสติอะจะเป็นตัวควบคุมทั้งกระบวนการนี้เลยอย่างที่หมานัทพงศ์ว่าครับเราจะทําไงให้นิมิต ของความขัดเคืองของเรามันลดลงไปครับต้องรู้ร่วมหายใจแทนที่คุณจิตคุณจะไปคิดเรื่องที่มันทําให้คุณเครื่องคุณมารู้ลมหายใจแทนที่จิตคุณจะไปคิดเรื่องที่ทําให้คุณโกรธคุณมารู้วมหายใจจะคิดเรื่องที่คนนั้นมาทําอย่างนี้อีกเรามารู้รวมหายใจครับแร้วจิตเราจะสบายอืมเพราะว่าเราฝึกอยู่เรื่อยๆใช่ไหมตอนมาในการหลีกเรนใช่ครับพอออกไปแล้วอะออกไปแล้วออกไปแล้วถามว่าองค์ประกอบอันนี้คุณควบคุมไหมอาหารคุณกินแต่พอดีไหม กูดีอา่านเป็ด ๆ, ๆมากหรือเปล่ามีสิ่งที่ไม่พอใจมากสองค บ, คบเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนน่ะเพื่อนมีแต่พูดไม่ดีหรือเปล่าเอาเรื่องคนอื่นไม่ดีคนอื่นมาพูดเราฟังไหมนะพูดสับซอ้อพูดยุยงให้แตกกันหรือเปล่านะอันนี้เพื่อนเขาสาคัญนะใช่ครับสามิตั 3, ในครอบครัวคุณน่ะมีแต่ปฏิกิิานิมิตหรือเปล่า ตรงนี้ก็ไม่ชอบตรงนั้นก็ไม่ชอบมีปฏิกะนิมิตเกิดขึ้นตามตำ แ, แหน่งนั้นตำแหน่งนี้มองไปไหนก็มีแต่ปฏิกะนิมิตปฏิกะนิมิตไม่ได้ว่าเฉพาะเรื่องนั้น น, น, ะนะหมอและพงศเรื่องอื่นๆเนี่ยเรากําลังพูดถึงสภาวะจิตอารมณ์ในจิตของเรารรอะไรก็ตามบางคนเนี่ยโกรธเรื่องอื่นมาโกรธหัวหน้ามามาลงกับเมียที่บ้านเพอครับ <พอ S 1> ไ ม, ม, มันอารมณ์เดียวกันค ร, ครอารมณ์เดียวกันพอเราเจอปฏิกะในที่ทํางานปุ๊บเขาด่าเราเรามีโทรศัจี้ขึ้นมาแล้วปุ๊บนะ โทรศัพท์นี้เก็บไว้ใใจอ่าปรากฏพอไอ้อะไรที่บ้านปุ๊บเห็นอะไรเครื่องนิดเดียวปุ๊บพองขึ้นมาเลยอืมครับเพราะว่ามันอารมณ์เดียวกันครับปฏิฆะตรงนั้นปฏิฆะตรงนี้ปฏิฆะตรงนู้นมาเก็บรวมๆกันปุ๊บไปลงกับหมาอืมมามันสวยมากเลยเพราะว่ามันกโดนไปรับอารมณ์จะรับอารมไปเออเอย่างไรก็ตามอ่ตรงนี้แหละคือที่ว่าเราจะต้องรู้จักควบคุมถามว่าเอ้ยในครอบครัวเราเป็นอย่างนั้นไหมเอ้ยถ้าเผื่มันเป็นแล้วทําไงดี คุณต้องตั้งความต้องตั้งอารติไว้ใหม่อืความไม่พอใจครับนะเออบางคนจะไม่พอใจว่าบ้านไม่เรียบร้อยบางคนจะไม่พอใจว่าทําไมเขาต้องพูดคำหยาบบางคนจะไม่พอใจเรื่องการทําสักอย่างได้อย่างหนึ่งอืมวัดต้องวัดต้องไม่มีสิ่งก่อสร้างอืมต้องมีแต่ป่าล้วนล้เออต้องแบบนี้คุณก็ตั้งไว้ใหม่สิครับใช่ไหม ก็ต hmm. like ั้งใหม่ก็มันคนละวัดมันคนละที่มันคนละแบบมันสิ่งที่เราไม่เหมือนกันเอเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันเทคโนโลยีไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันอคนที่มาวัดก็ไม่เหมือนกันครับสิ่งที่เราต้องรักษาคือจิตของเราอืสิ่งที่เราต้องรักษาคือจิตของเราครับเราจะรักษาจิตของเราอย่างไรนะครับมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดหรอกทาไมพระเจ้ายังอยู่วิหารใหญ่โตแล้วก็มีเครื่องประดับอะไรมากมายคนก็มาให้ถ้ามีจะมีคนเห็นว่าโอ้ พำไมพระเจ้าทําอย่างเนี้ยไม่ถูกเนี่ยมันก็มีคนคิดอย่างนั้นเหมือนกันกรับสุดท้ายเป็นยังไงถูกนรกรสูบลงไปโอ้สูบสูบไปเลยครับถูกถูกแผดินสูบ ก, ก็มีครับเลยครับในขณะที่บางคนเห็นมาปุ๊บโอ้โหอ่างกายจริงๆแหมบุญบา ร, รมีของพระเจ้าสูงส่งจริงๆคิดอย่างนี้ก็มีอืมเออครั บ, ออ ค, รบคิดคิดบวกไปเลยครับบางคนเนี่ยเห็นพระพุทธรูปอย่างเงี้ยครับอ่าทําไมพระพุทธรูปเขาก็ไม่ได้พูดอะไรให้นะ อืมจริงครับติเชยรเพราะประตู<อ>ทำไมเป็นอย่างนี้ติท่านั่งไอ้ไม่พูดน่านั่งเป็นอย่างนี้เพราะมันขัดเคืองไปหมดเดี๋ยวบางคนติแมกนั่งไอ้ผู้รูเจ้าต้องไม่มีเครื่องประดับอะไรทําไมเอาชะดามาใส่ให้เอาเครื่องประดับอะไรมาติดไม่ถูกต้องเลยมันก็คิดไม่ถูกอีก่ะครับคือสิ่งที่เรารักษาเนี่ยคือจิตของเราใครจะเป็นอะไรไงก็ช่างเถอะมาว่าครับอืมไอ ให้รักษาจิตของเราให้เป็นกุศลใช่ไหมครับใช่อือก็คือกระบวนการมันมาเป็นอย่างนี้นะกระบวนการมันมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วเอคุณปณิธิศถามว่าวิธีละอกุศนห้าข้อนะครับคือท่านมีความไม่เข้าใจตรงข้อหนึ่งข้อสามนี่แหละที่ตอบไปแล้วก็คือพึงละนิมิตนั้นเสียกระทําในใจซึ่งนิมิตอื่นให้มากอืมอย่าไปคิดเรื่องนิมิตนั้นนิมิตคือเครื่องหมายนะ เรื่องหมาใช่ครับก็ถ้าเห็นหมาแล้วมันเครืองก็อย่าไปคิดเรื่องหมาหมแล้วก็ไปคิดเรื่องแมวก็ได้ออยู่ห่งหางๆมันสักใช่เห็นคนนี้เห็นบ้านไม่เรียบร้อยก็บ้านอย่างอื่นยังมีดีสีมันก็สวยอยู่โครงแท้มันก็ยังไม่พังฝนตกมันก็ไม่รู้คุณก็ไปคิดเรื่องนั้นสิอ๋อนะ<ช>อันนี้ก็จะเวิร์กนะใช่ครั บ, รบหรืเรื่องที่เป็นกุศลใช่ครับยังข้าวเหนียวลาบก็กินผักก็ได้มันไม่ต้องเครืองอะไร เราก็ปล่อยวางได้อืม้ไหมครับแล้วก็ก็คือไม่ทําในใจซึ่งนิมิตนันทองมาไปทํานิมิตอย่างอื่นซึ่งเป็นกุศลครับเราสามารถแอพลายใช้ได้จริงๆนะคําของพุทธเจ้าเนี่ยนะอืมใช่ครับเข้าไปที่คุณบรรลิีถามอีกนะก็คือว่าอย่าพึ่งระลึกถึงอย่าพึ่งกระทำไว้ในใจซึ่งกุศลนั้นคือนิมิตกับวิตกไงมันไม่เหมือนกันอืมนิมิตใช่ไหมเป็นเรื่องหมายที่ทําให้เราเกิดอารมณ์ ทีนี้ถ้าคุณฉลาดมากขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้อารมณ์เราเกิดขึ้นละมันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารละเกี่ยวกับประเภทอาหารแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับสุนัขละมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นละมันเกี่ยวที่จิตของเราเราละที่จิตของเราตรงนั้นอืมอ่าละที่จิตของเราตรงนั้นเราก็เลยไปรู้ลมหายใจเป็นต้นครับรู้ลมหายใจเป็นต้นหรือเราไปทำํำในใจซึ่งนึกถึงเรื่องพระราชาอย่างเงี้ยครับมีเด็กมาฉีไซมีคนเอาไม้มาแยงหู ก็ไม่มีความขัดเคืองในสิ่งเหล่านั้นนี้เป็นข้อวัดในการอยู่อุเบกขาของเราอ๋อไดเป็นข้อวัดในการอยู่อุเบกขาของพระเจ้านะครับหรือสมัยเกิดเป็นเป็นพรามพอรู้สึกว่าบ้านเมืองมันไม่ค่อยดีแล้วเราก็เลยออกบวชบวชปุ๊บก็มีภรรยาเก่านะที่คิดว่าไม่ต้องการประพฤติอยู่เสพกามด้วยก็เลยมาประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน แต่ว่าก็อยู่กันคนละที่อยู่ในป่าเดียวกันแต่แต่ยุคนละคนละตำแหน่งมีพระราชาเสด็จมามีจิตกําหนัดในนางพราหมณีนั้นก็เลยถามพระพุทาซึ่งเป็นโพลิสัตย์อยู่ตอนนั้นเนี่ยบอกว่าอนางพรามณีนี้เป็นใครโพลิสัตย์นั้นก็ตอบว่าเป็นผู้ระพรหมจารย์ร่วมกันตอนนั้นเองแล้ถืออย่างเดียวกันจึงมาประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่นี่พระราชากําหนัดในนางพรามณีนั้นก็ฉุดคร่าไปฉุดคร่าไปเพื่อทําเป็นพระยาของตัวเองครับจิตของโพลิสัตย์ตอนนั้นคือพระเจ้าของเราเนี่ยนะ มีมความโกรธขึ้นมาปุ๊บพระเจ้าวับหยุดทันทีหยุดความโกรธนั้นนะเพราะว่าโอ้ตล่ละความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไไดเราปรารถนาสัมมาสัมปวิญาณถ้าเราปรารถนาสัมมาสัมปวิญาณเราจะให้มีความเกิดโกรธเกิดขึ้นในจิตของเราไม่ได้ดับเลยให้ดับซะนะมไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีกําลังในการจะตอบโต้พระราชาองค์นั้นก็ไม่ได้ไม่ใช่หรือเราเกลียดนางพรามณีนั้นก็ไม่ใช่แต่เพราะเรา รักในสมาสมุทัยเราจึงให้ของที่เรารักอืมปฏิทนาสิ่งที่สูงกว่าใช่ครับนี่ถ้าบอกว่าเราหวังจิตที่เป็นกุศลหวังความหลุดออกจากวัตฏสงสารหวังความที่จะหลุดพ้นออกจากความทุกข์เหล่านี้แอะไรที่มันมันจะเป็นเรื่องที่ให้เราเครื่อให้เราก็เราก็ลามันเสถอะล้วก็เอาออกไปซะเราอยายให้มันมีอยู่ในจิตของเราอะไรไม่ใช่ของเราเรากใ็ให้เข้าไป อะไรดีๆเรารักเราชอบอันนี้เราก็ให้เข้าไปด้วยอืมเป็นการฝึกจิตให้สูง <ปะ S 2> ขึ้นนะ<ๆ>ครับเรารักสิ่งที่เรารักเราจึงให้ของที่เรารักเพราะเรารักในสัพพัญยุตยานของเราเราจึงให้ของที่เรารักอืมเพนะราะสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเราจึงให้ของรักเพื่อสิ่งที่เรารักเพราะฉะนั้นถ้าเรารักจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ของอะไรที่เราสละได้เราก็สละนะ เช่นว่าไอ้ความโกรธเราสลัดแล้วเราก็สลัดซะความพอใจอันนี้เราพอใจในสิ่งนี้อยู่เราก็สลัดซะเพราะว่าถ้าเราพอใจในความบ้านสะอาดพอใจในอาหารประเภทนี้พอเราไม่ได้เราจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นเราจะมีอารติเราจะมีปฏิฆาเกิดขึ้นเราก็สลัดแม้ของที่เรารักครับมันก็คือจบเหตุของของที่เราจะต้องโกรธอืมครับเพราะฉะนั้นก็คือละถ้าวางเป็นอุเบกขาได้ไหมครับท่านก็นี่ไง ก็คือเป็นอุเบกขาก็ได้เพราะว่าเราลักสิ่งที่เรารักนะก็คืออยู่เบกขาแล้วเวลามีอะไรมากระทบเราก็นิ่งเฉยไม่ได้ตื่นเต้นดีใจไปตามความที่ชอบไม่ได้ขยันขยันกลียดชังตามความที่ไม่ชอบนี่คือข้อวัดในการอยู่เบกขาละทีนี้เรื่องของเวลาที่เราพยายามทำเนี่ยนะทำอย่างไรถึงเวสมุตเรามานั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิพิจารณาเบางคนก็บอกเป็นหินทับย่า เพราะว่าทำไมชันกลับมาแล้วมันยังมันโกรธอยู่ว่ะมันไม่ได้เล่าออกไปจริงก็คุณนาถูกไหมอ่ะถามว่าผู้รีช้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพว่ะผุ้รีช้านั่งอยู่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพเป็นหินทับยากไหมเป็นไหมครับเพราะว่ไม่ได้เจออะไรที่จะต้องให้ขัดเคลื่อนไลยนะไม่มีเหตุเออไม่มีเหตุอะไรที่มาจี๊ถามว่าถ้าถ้าคุณจะบอกว่าหินทับยากก็คือว่าพอคุณไม่เจอไม่จี้คุณก็ไม่เกิดขึ้นมาพอเจอคุณสิ่งที่ทําให้คุณจี้คุณก็จี้ขึ้นมามันมันไม่ถูกมัไ่่ใชคือเราายงทํจิต หมาย ว, ามว่าตอนที่คุณนั่งเฉยเฉไม่มีอะไรมาทำใเราจีบเนี่ย ม, มันจะเป็ น, นหินทับยา ก, ก็ได้หรือไม่เป็นหินทับยากก็ได้อยู่ที่เราพิจารณาหมายความว่าไง ห, หมายว่าถ้าคุณทําวิปัสนาทําวิปัสนานะคือครเราพิจารณาอยู่เรื่อยเรื่อยพิจารณา<ม>อะไรที่ว่าพิจารณาเนี่ยเช่นถ้าเราพิจารณาเรื่องของกายมากๆนะเราพิจารณาเรื่องของกายที่ว่าไม่สวยงามไม่สวยงามอันเนี้ยไอราคะที่มันจะแฝงมาเนี่ยมันก็จะละไปได้ เวลาคุณเจอสิ่งที่ไม่สวยงามปุ๊บเออเวลาเจอคุณสิ่งท่สวยงามปุ๊บมันก็จะละได้เจอสิ่งที่สวยงามปุ๊บเราก็จะละได้แสดงว่าตรงนี้ยคุณไม่ได้ทําในใจซึ่งเมตตาเจโตวิมุให้มากเพราะถ้าเราทําในใจซึ่งเมตตาเจโตวิมุทัยมากเนี่ยปฏิกะก็จะละไปครับเออหมายว่าเรารู้มีเมตตามากๆมีเมตตามากๆอะไรมันมากระเทือนเนี่ยมันก็จะละกิเลสตัวเนี้นะละอนุสัยตรงนี้นะหมอรู้ผมก็ใจไหม เข้าใจครับละอนุสัยคือเรายังจิตไม่เป็นพระอรหันเนี่ยมันละได้มันเพิ่มได้นะต้องระวังอย่างจิตที่เป็นอรหันแล้วเนี่ยละคือล้ะหมดพงเลยแล้วก็ไม่ตับวไม่เพิ่มแล้วไม่เพิ่มแล้วครับอนุสัยไม่เพิ่มแล้วนะแต่ถ้ายังเป็นบุรุษชนอยู่เนี่ยบางทีคุณละได้คุณปาดออกคุณเช็ดได้ถูกคุณคุณไปวัดคุณทําถูกนะคุณไม่ใช่ทําสมาธิอย่างเดียวคุณมีความใจเมตตาด้วยอ้นี้ไอปฏิไออาสวะนี่ลาไปลาไปละไปพอกลับบ้านปุ๊บ ไม่พอเดือนหรอกไอช่วงเดือนเนี้ยแต่มันเกิดอะไรขึ้นมันพอกพูนใหม่เราไม่รู้บมันมาเครือบมันมาทามันมาทิ้งคราบเอาไว้เราไม่รู้ทำไมไม่รู้ไม่มีสติไม่มีสติเลยไม่รู้ทีนี้พอไม่รู้เลยก็เสร็จมันเลยเสร็จมันเลยพอหนึ่งเดือนผ่านไปเท่านั้นแหละบางคนไม่พอเดือนเลยแค่สองเท่าของเวลาที่เรามาปฏิบัติอยู่ มันก็จะพออคุลกลับมาทีนี้พอพ่อคุลกลับมาแล้วก็เสร็จมันเลยแล้วก็เลยคิดว่าเป็นหินทับหญ้าจริงๆไม่ใช่มันก็ลอกออกลอกออกอนะ อ, ะอทีนี้พอเราครับอ่าพอเราไม่รู้จักระวังของใหม่กิเลสใหม่ๆเข้ามาเราไม่รู้เราก็เลยเสร็จมันซะครับอ๋อครับครับอย่างกรณีของคุณน้องฝนเนี่ยบอกว่ามีเรื่องครับพูดคุยสนทนาเนี่ยแล้วอเออมันกับว่าเป็นเรื่องที่เป็นอกุศล ท่านก็พยายามหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงก็เลยชท่านคิดว่าอันนั้นถูกไหมครับอันดีดีไม่ไม่พูดเรื่องไม่ดีเนี่ยดีครับเราไปเจอเรื่องที่ไม่ดีมาเราไปเจอเรื่องที่ไม่พอใจมาถ้าเราไปเที่ยวโพธนาต่อโอ้อันนี้ไม่ดีแล้วเรายิ่งชักชวนคนอื่นให้ไม่ชอบด้วยอันนี้ยิ่งเป็นอาศัตรูบรุษยิ่งกว่าอาศัตรูบรุษคือเป็นโทษของอาศัตรูบรุษออ่ืมโทษของคนไม่ดีอ่นะคือเราไม่พอใจเราไม่ดีเราว่าเราไม่ดีเองแล้วนะ ไม่รู้ตัวยังไปชวนคนอื่นให้ไม่ชอบยังไปชวนคนอื่นให้ทําไม่ดีด้วยอันนี้ ม, นมันคือโคตรของคนไม่ดี<ม>อืยิ่งๆต้องหลีกห้องาาาอักอกอจริงๆก็ต้องต้องรีบดับดับอกุศลนั้นนั้นใช่ไหมครับไม่ไม่ไปเผยแพร่ต่อใช่ไหมครับอืมถูกถูกเราต้องรีบดับอก<ม>ุศลตรงนั้นเลยอืมแล้วเราไม่ไปเผยแพร่พต่อสิ่งที่ไม่ดีครับออครับแล้วแล้วทีนี้พอถึงประเด็นตรงที่ว่าหินทับยาหินทับยาใช่ไหมพอเปิดออกปุ๊บแสงส่องปุ๊บ หญ้าโตต่อใช่ครับก็เพราะมันยังมีรากอยู่ะรากของมันคืออะไรหมอรัฐพงศ์ก็อวิชาอวิชาอวิชาคือรากเงาสักการะของมันโคตรเง้ามันอยู่นี่ดึงมันออกมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอวิชายังไม่หมดมันฟื้นได้แน่นอนแน่นอนแน่นอนอย่าไปว่าเลยหินทับหญ้าสมาธิเว็บัาสนาต่อให้คุณทำเว็บศาสนานะมันก็ยังงอกได้อยู่คือเว็บศาสนาเนี่ยคือทําความสะอาดล้างนะครับคือสมาานเนี่ย คือบางทีให้มีกําลังในการล้างครับทีนี้สมถะยังไงมันก็คู่กับวิปัสนาได้ถ้าเราทําถูกล้างถูกแล้วก็ฝึกไปทําไปมันก็ล้างได้ความสะอาดได้เห็นได้ครับแต่ถ้ารากรมันยังอยู่มันก็ยังโตขึ้นมาได้เติบโตได้เพราะฉนั้นเราพยายามที่จะขุดหารากกแล้วก็ทําความสะอาดรากนั้นซะฉายแสงให้มันตายไปซะนั่นก็คือจุดที่เราพอเราเป็นพระหลานแล้วเนี่ยรากมันก็ดับไปละก็ไม่ฟื้นอีกครับ ขุดอวิชาก็คือต้องหลุดจากวัฏฏดสงสารเลยก็คือเป็นอรหันต์ใช่ไหมครับคือจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเครื่องตรวจคุณต้องคมมากต้องตรวจหาสิ่งเล็กๆในในดินได้ในในร่างกายได้ในยังสมัยปัจจุบันเขาก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ X R ธรรมดา R เครื่องสแกนคอมพิวเตอร์ซีเอ็มอาร์เอ็มอาร์ไออะไรก็ไม่รู้หลายอย่างเหลือเกินนะก็ยังไม่เท่ากับเปิดผ่าดู <laughs> เปิดผ่าดูก็เห็นเจาะๆเลย อแต่มันก็จะชอกช้ำ ม, มากเพราะฉะนั้นพอเราตรวจแล้วเจออยู่นี้ปุ๊บคุณพาเข้าไปเอามันออกมาพาเข้าไปเอามันออกมาเนี่ยคือมีดคือปัญญาครับสติกับปัญญาเข้าใจไหมทีนี้ทําอย่างนั้นนะ่ะคือการโยนทิสมณฑสการออืมถ้าเราไม่โยนทิสมณฑสการไม่โยนทิศมณฑสการคุณเสร็จเลยเสร็จปฏิฆนิมิตเพมพอเสร็จปฏิฆนิมิตแล้วโอ้โหทั้งสายก็พวงมาละทั้ง ค, ความเดือดดานความโกรธโทษสะาบายบาศ ครบเลยอถึงแม้มันตายไปแล้วก็ยังแช่งมันต่อไปในนรกโอ้โหมันยากมากเลยเนี่ยครับมันมันไม่ถูกเลยอ่ามันคือพยาบาทมากละมีปฏิกะมากลแล้มครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแก้เราต้องแก้ที่จิตของตัวเราเองครับคนทําไม่ดีมีเยอะในโลกนี้คนทําดีก็มีเยอะในโลกนี้ก็มีครับมีอยู่เพราะฉะนั้นเอ๊ะเราจะทําไงให้จิตของเรามันมันดีอ่นะ S <S สมัยนี้เนี่ยนะหมอผงเป็นสมัยที่เป็นสมัยเสื่อมมานะสมัยเสื่อมเออเป็นสมัยขาลงนะล่ะครับลงยุคขาลงใช่เพราะฉะนั้นความเสื่อมจะเจริญเยอะเราจะเห็นคํานินทามากขึ้นเราจะเห็นคําหยาบมากขึ้นเราจะเห็นการเบียดเบียนมากขึ้นอันนี้มืนก็ถูกแล้วอืแต่ถ้าจิตเราไหลไปอย่างนั้นไอ้คนนี้ก็ทําคนนั้นก็ทําฉันทำด้วยคนนี้ก็มาชวนฉันตามคนนี้ก็เวฟฟางอะฉันเป็นด้วยหลุดไปตามกระแสคุณพลาดเลยครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับต้องสวนกระแสใช่ไหมครับต้องทวนกระแสธรรมะของพระเจ้าเป็นเรื่องทวนกระแสอืมเราไม่ใช่ว่ารู้ฟังธรรมะเฉยแต่คุณยังไหลไปทางกระแสโอ้โหมันแม่เรารู้สึกสงสารสงสารคนนี้่แบงนี้นลยเออทําไงดีทําไงดีถึงจะแก้ไขได้ครับก็ต้องใช้ธรรมะแล้วใช่ยังอย่างท่านผู้ฟังรายการเนี่ยนะก็หมายความว่าบางทีฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอนะ กลับฟังฟังไปอ่ะครับฟังซ้ำครับ <laughs> เหมือนแม่อาตมาตัวเราเองนะก็ฟังซ้ํานะหมอและพงศ์ครับเราต้องมาฟังซ้ําเออตรงนี้เราพูดไปได้ไงอย่างนี้โอ้มันมันลึกซึ้งกันนะเนี่ยหรือตรงนี้เราพโอ้เราพูดไปได้อย่างนี้มันผิดนะเนี่ยมาคิดดูอีกทีแล้วมันมันมีแง่มุมที่มันหาที่ผิดได้อยู่ครับเอาเข้ามาแก้ไขอ่าเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้แหละเออบางทีสิ่งไหนพอลูกมันเริ่มโตแล้วอนะครับ บางทีมันก็เลือกกินนั่นกินนี่ไอ้ที่ดีๆมันก็ไม่กินแล้วอย่างเงี้ยจริงครับสมัยเด็กๆนี่กินทุกอย่างให้อะไรก็กินแต่พอโตมาแล้วอันนี้ไม่เอาจะเอาอันนี้อันนี้ไม่มีเหรอเนี่ยเราก็ครับเราก็เลือกคือคือถ้าถ้าถ้าเขาจะโยนทิ้งทั้งจานนี้ใช่ไหมครับเราเป็นพ่อแม่เราก็จะไม่พอใจเขาเราก็กินไม่ถูกอ่ะเราก็จะต้องให้งั้นลูกไม่กินใช่ไหมเอาอันนี้เกี่ยวออกก่อนนะเอากินเท่าที่กินได้ไปก่อนอย่างเงี้ยพอเราค่อยๆสอนเขาให้กินสิ่งดีๆ เขาก็จะกินได้มากกินกินได้มากขึ้นดีสุขภาพของเขาก็ดีมากขึ้นใช่ไหมจริงครับเราก็ต้องมีความเมตตาเงี้ยครับเพราะเราเห็นเพื่อนมนุษย์คนที่เขาทําไม่ดีคนที่คิดไม่ดีคนที่นินทาบ้าร้ายคนที่ยังมีความภัยบาทอยู่นะหรือคนที่ทําไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนเด็กน้อยที่ยังไม่รู้อะไรอยังไม่รู้รว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้ า, าจะไปเกลียดชังด่าว่าเขาเราจะทําไม่ถูกอ๋อเป็นอกุศลกับเราอีกใช่เพราะฉั้นสมมุติเห็นคนก็นินทายฟั ง, ฟงเห็นคนก็เอาเรื่องอกุศลมาพูด เราคิดว่าคนนี้เป็นคนพาลเป็นคนไม่ดีเราอย่าไปยุ่งกับเขาเราคิดไม่ได้หรอกเพราะนันเวลยนีนี้เขาอาจจะเป็นอยู่ก็ยังไม่เป็นพระา น, นีเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนั้นเราก็ค่อยที่จะออมีเมตตาอันให้ได้คุณทำไปก่อนอันยังไม่ได้คุณก็ยกไว้ก่อนอย่างเงี้ยพอทำดีได้มากขึ้นก็ให้ทำได้ทั้งหมดก็จะดีมากก็จะมีแต่คนดีๆในโลก อืมครับต้องช่วยกันสร้างสารรค์คนดีตรงเนี้มันต้อ ง, องเริ่มเริ่มจากตัวเราจิตของเราใ ช, ใช่ไหมครับจิตของเรารถ้ามีความขัดเคืองแล้วนะหมอระพงมันจะคิดอย่างนี้ไม่ได้จริงครับความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเธอต้องละมันเสียอืความขัดเคืองนะคือปฏิกิริยานั่นเองครับอย่าให้มีเราจะแก้ปัญหาได้ยิ่งความสําคัญในครอบครัวนะหมอระพงยิ่งยิ่งแล้วเลยแต่ถ้าคุณมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตคุณจะไปสมานพ่อแม่กับลูกที่โกรธกันอย่างเงี้ย พ่อโกรธกับลูกวัยรุ่นไม่พูดกันเป็นปีๆคนเป็นแม่ยกตัวอย่างนะคนเป็นแม่ฟังก็ฟังพ่อด่าลูกแม่ก็ฟังลูกด่าพ่อแม่ก็ฟังแต่คนที่เขาด่ากันเนี่ยเขาไม่เห็นจะด่ากันเองสัทีมาด่าผ่านเราหมดเลยเราก็ารับคาแต่เราแต่คําที่ดีโอ้ยแม่นี่ก็เครียดเป็นมากเลยครับความดันขึ้นใช่ถ้าเรามีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเรานะเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เราต้องละปฏิฆะนิมิตนิสัย ต้องละมันเสียก็ต้องทําในใจซึ่งนิมิตเพื่อความเมตตาให้มากทำเมตตาเจริญเมตตาทุกเช้าเย็นเพื่อนที่มันคิดไม่ดีพูดไม่ดีเราอย่าไปค่วบมันอย่าไปคุยกับมันมากนีคือไม่ใช่เกลียดมันละเกลียดมันก็จะไม่ถูกนะเราก็จะคอยเหมือนกับพ่อที่ดูแลลูกแม่ที่ดูแลลูกว่าลูกยังไม่เกินอันนี้เราก็เอออะไรที่ดีเราก็พูดกับเขาอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเราก็ห่างห่างับ แล้วเราก็พยายามที่จะอคิดถึงเรื่องที่เป็นเมตตาบางที่อ่านเรื่องอ่านหนังสืออย่างเงี้ยอ่านเรื่องราวที่มันอินสปายริงเรื่องราวของความเมตตาอย่างเงี้ยครับเราจะมีกําลังใจตรงนั้นเป็นนิมิตได้อืเช่นเรื่องของวันลีเด็กหญิงวันลีอย่างเงี้ยแหมอัานแล้วมันก็มีกำลังใจนะก็มีความเพียรมีความเมตตาเออมันก็เป็นนิมิตให้มีเมตานิมิตเกิดขึ้นได้อื จริงครับเก็บสิ่งนั้นมาเป็นเรียกว่าทรัพย์เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจจรๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ในการที่ทำใจิตของเราดีอาจจะไม่ใช่พุทธวจนะหรอเอาก็ถ้เป็นพุทธวจนะก็ดีแต่ถ้าบทพีัญชนะไม่ได้แต่อัฏฐะเหมือนกันเอาด้วยเราเอาทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะอยัญชนะครับถ้าพยัญชนะไม่ได้ขอให้ได้อัฏฐะถ้าอัฏฐะพยัญชนะก็ไม่ได้โอยไม่ได้ไม่ไดอันนี้มันถูกแล้วิงๆทิ้งไปทิ้งไปอ่าแต่ถ้าอัฏฐะได้ เพียนชนะ ไ, ไม่ได้ก็เอาอัฐานได้เพียนชนะได้เอาด้วยยิ่งดีเลยดีที่สุดเลยครับครับอย่างนี้นะพระอาจารย์ครับมีคําถามสุดท้ายของผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับเรื่องของทานนะครับคือประเด็นก็คือว่าคือท่านผู้ถามเนี่ยบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินให้วัดหวังว่าจะได้สร้างเซนาสนะอะไรต่างๆอือทีนี้แต่ว่าอยากจะได้ใบอนุโมทนาจะลดหย่อนภาษีไรายได้จะทำให้ บ, ใหบุญตรงเนี้ยหย่อนใบไหมบุญตรงไหม อันนี้เป็นงนี้บุญหรือหรือปริมาณบุญที่ได้เนี่ยอยู่ที่เหตุปัจจัยหกอย่างที่เราพูดไปใช่ไหมครับถ้าเรารมีความคิดว่าผู้รับทานเนี่ยเป็นของเป็นเป็นผู้ที่ไม่มีราคะโทสะมหะโอ้คุณได้บุญมากละแล้วถ้าเราคิดว่าโอ้สถานที่เราบริจาคสร้างไปนี่นะถ้าเผื่อว่ามีใครสักคนหนึ่งมานั่งสมาธิที่นี่ที่เราสร้างไว้เนี่ยนะแล้วเกิดบรรลุปเป็นพระอรหันเนี่ยโอ้เราจะได้บุญมากจริงเลยแต่คุณ ค, คิดอย่างนี้คุณจิตมีมีกุศลธรรมมากละทีนี้เรื่องของการเอกใบอนุโมทนาเนี่ย Mm hmm. มันก็ไม่ได้อยู่ในพารามิเตอร์พวกนี้เลยออ oh. ทีนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ว่า oh. ถ้าเผื่อว่าที่นั้นวัดนั้นเขามีนโยบายการออกใบอนุโมทนาบ<ก>นะแล้วมันไม่เป็นการเบียดเบียนเขาที่จะต้องไปทําตรงนี้จิตเรา mm hmm. ไม่ได้มีอกุศลเกิดขึ้นจิตเขาไม่ได้มีอกุศลเกิดขึ้นอันนี้ได้มีอยู่นะบุญของคุณไม่ได้ลดลงไป mm hmm. แต่ถ้าเขาไม่มีนโยบายในการออกอนุโมทนาแล้วเราไปคาดคั้นบงังคับให้เขาออกคุณเริ่มเบียดเบียนกันละอ oh. เริ่ม<ก>เบียดเบียนกัละบุญเราล่ะจะคือบุญไม่ได้ลดหรอกแต่บาปจะเพิ่มขึ้น ออืก็มันมีการเบี่ยดเบียนเกันแถ่มาอ่าราะเราพิจารณางี้นถ้าเขามีนโยบายอยู่แล้วแล้วก็อเป็นเรื่องที่เขาทําอยู่เป็นประจำไม่ได้มีการเบียดเบียนใครก็ได้ครับก็แบบนี้ต่อต่อต่อท้ายนิดนึงเรื่องของาที่สร้างสุขานะครับโอ้ก็เอใบอนุโมทนาถ้าท่านใดจะต้องการนะครับคือนียบายออกให้ได้มีมีนโยบายออกให้ครับติดต่อมาได้เลยตามช่องทางที่เคยให้ไว้นะครับออื จะต้องการย้อนหลังก็ยินดีครับออกให้ได้ครับครับเพราะฉะในวันนี้เราก็ได้พูดเรื่องเรื่องของความโกรธโกรธนะครับสืบเนื่องมาจากเหตุของอ่ามคุณประนิทิดได้แล้วก็คิดว่าอาจจะมีประเด็นอื่นที่จะเพิ่มเติมได้อยู่วันนี้ก็พูดเท่าที่อาจจะรวบรวมมาได้ในตอนนี้แล้วก็ค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปคุณมารุโต้งครับครับก็กราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพ่บูร์อภิพุโน แห่งวัดป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธา น, นีครับกลับกรา บ, บราชการและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับ